นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเผียวธรรมะ o t com ธรรมาพระไพบูลอภิปุนโนจากวัดป่าลอยไสโศกก็จะมาพร้อม ก, กับคุณหมอะะรัตพงศ์กลับกลับน้ำมัสการและกลับสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมธนแพนะทย์รัตพงศ์กันกุวิรุลครับอตอนนี้เอพิส od ที่สละลายแล้วคุณหมอรัตพงศ์ห้ครับห้าสิบเจ็ดแล้ววันนี้เราจะพูดถึงตอนที่เราไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่นั่นคือเรื่องของอความอดทน อ่าความอดทนซึ่งในตอนที่บบดพันมาอาจจะพูดบ้างนิดนิดนิดหน่อยในะอย่างเรื่องของเท้าส ก, กัดเทวราช ท, ที่ถูกดายับเลยแล้วก็ยังอดทนอยู่ได้นะพูดถึงอา่าที่พระเจ้าอดทนต่อการทําความเพียรในรลักษณะนี้นะใช่ครับทีนี้เรามาดูความหมายของคําว่าอดทนก่อนอความอดทนเนี่ยพระเจ้าให้ความหมายอย่างนี้นะเคยเปรีย บ, บเทียบกับช้างอาชานายัยในะที่ถูกทิ่มถูกตั้มถูกซับถูกอะไรก็อดทนได้นะไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้าตามเวลาก็อดทนได้พวกนี้ คือสัตว์ที่มันจะออกรบน่ยมาละทมันต้องมีความอดทนนะใช่ครับเวลานักรบเนี่ยเขาเขาจะออกรบเนี่ยนะมันฮึกเหิมมากนะเดี๋ยถ้าเราดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยพอออกรบไปแล้วเนี่ยถูกฟันบ้างถูกแทงบ้างถูกหอกแล้วมันมันมันสู้ไม่ถอยอ่ะเป็นลักษณะนี้คือนอกจากว่าตัวเองจะใกล้จะตายแล้วเสียเลือดมากอย่างเี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าโดนนิดนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยมันทนได้มันมันบึกบุกยิ่งบุกฮึกเหิมเข้าไปนะไอ้เจ้าช้างอาชานัยนะอาชานัยเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ นะคืออดทนอะไรพระเจ้าให้คํานิยามตรงนี้ว่าเป็นผู้ที่อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดนะแล้วก็สัตว์เล้คลานทั้งหลายนะักอดทนต่อผัสสะอันไม่น่าพอใจนะักอดทนต่อเวทนาทุกคนเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บชาปิดร้อนอดทนต่อวาจาอันหยาบคายร้ายกัดนี่คือทั้งหมดนะคือไล่มาตั้งแต่สิ่งแวดล้อมมาทําให้เรารหนักทัให้เราเหนื่อยอ่าใช่ครับ ทนี้เรื่องของความอดทนเนี่ยตอนนี้คือเขาเรียกว่า definition ของอของความว่าอดทนใช่ไหมคำว่าอดทนเนี่ยตรงนี้พระเจ้ย า, ายังเคยพูดถึงในเรื่องของการเดินนะเรื่องของการเดินเนี่ยปุณคนที่เดินจงกรมมากๆเนี่ยจะทําให้เป็นผู้ที่อดทน ต, ต่อการทํ า, ทาความพียันอดทน ต, ต่อการเดินทางไกลยอย่างนี้นะแล้วก็ทำให้เป็นผู้มีโรคน้อยเพราะฉะนั้นไอ้<บ>ความดอดทนเนี่ยจะทําให้เราเป็นคนมีโรคน้อยด้วยนะอันนี้อันนี้คือเชื่อไม่ได้เกี่ยวกับหมอหมายความว่าหมอเนี่ยเขาก็จะวินิจฉัยตามเหตุใช่ไหม S <S <S อย่สมมติเราปวดหัวอย่างเงี้ยเอาง่ายคนที่ปวดหัวเนี่ยคนที่ปวดหัวอย่างในออฟฟิศอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นปวดหัวกันทุกคนคทำงานมากหน่อยเดี๋ยวเขปวดหัวแต่คนที่ปวดหัวแล้วทนไม่ไหวเนี่ยเขาจะหยุดงานทนคําว่าทนไม่ไหวนี่เปนแล้วแต่คนนะคือสมมติอ่านนายกอกันนายขอมาแล้วทุกคนเอาหมายแล้วกันมีลูกน้องคนที่หนึ่งกับลูกน้องคนที่สองลูกน้องคนที่หนเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดนั่นเดี๋ยวก็ปวดนี่แล้วลางานอยู่เรื่อยแต่ลูกน้องคนที่สองนี่ไม่ค่อยปวดอะไรไม่ค่อยลางานอะไรนั้นเราจะพบว่าไอ้สองคนนี้ ความอดทนไม่เท่ากันอืมใช่อ่าใช่เพราะว่ามันไม่มีมิเตอร์วัดความปวดนะมรดุพงศ์เข้าใจไหมใช่อย่างถ้ า, าอุณหภูมิอย่างเงี้ยเราจะบอกดเดิเลียวสาสิบ็ดองศาสี่สิบเจ็ดองศาอะไรต่างใช่ไหมแต่มันไม่มีมิเตอร์วัดความปวดซึ่งความปวดตรงเนี้ยหมอก็สามารถเออคุณปวดแล้ว ย, ยังคุณยังทนได้ไหมอย่างนี้เป็นปกติถูกหมใช่ครซึ่งไอๆคาว่าทนเนี่ยมันขึ้นเป็น judgment ของแต่ละบุคคลใช่ครับซึ่งถ้าคุณทนได้เนี่ยคุณก็จะเรียกว่าคุณยังไม่ป่วย สมมติความปวดหัวอย่างเงี้ยเราจะเอาอะไรมาวัดความปวดหัววัดที่ไอความที่เส้นเลือดมันบิดไปกี่องศาอย่างเงี้ยเหรอโอยพวกนี้มันวัดความปวดไม่ได้ใช่ไมไม่ได้ครับแต่ว่าองค์ประกอบของความปวดจากการที่หมอเขาวินิจฉัยมาเนี่ยนะคือเช่นว่ามันจะมีไอพวกฮอร์โมนหรือว่าสารอะไรที่มันหลั่งออกมาอยู่ทั่วไปใช่ไหมสารแห่งความเจ็บปวดมันจะมีอยู่ ซ, ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แค่ค้นพบแค่1ส่วนมันไม่ได้ค้นพบทุกตัว ใช่ครับแต่มาก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวมันคงต้องมีหลายตัวแน่มีหลายตัวครับเขาเรียกเขาเรียกตัวหลักๆที่พบนี่มันเป็นศัพท์ทางการแพทย์เขาเรียกคอร์สต้าแคนดินจะมีตัวนี้จะจะเจอบ่อยแล้วที่จะมุดจะปวดแล้วที่เวลามันปวดเนี่ยบางคนอย่างขาขาดไปเนี่ยมันไม่ปวดแล้วนะมันชาไปเลยครับเอมันเป็นอย่างนั้นก็มีนะซึ่งความปวดของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับความอดทนนะคือเรื่องนี้มีมาในสมัยพุทธกาลนะที่ว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ย เขาอาศัยสิทธิที่ว่าตัวเองป่วยจึงไปทําการเลือกที่อยู่ก่อนคนอื่นนะเขาให้พระป่วยเลือกก่อนนะนะพระองค์นี้ก็เลยไปเลือกนะบอกว่าตัวเองป่วยพอไปเลือกแล้วเขาถามว่าคุณป่วยเป็นอะไรก็บอกว่าป่วยเป็นโรคเท้าแตกเอาเท้าแตกนี่ป่วยนิดเดียวแล้วมันเลยหมดสิทธิ์ไปตรงนั้นแนะซึ่งเราจะเห็นว่าคนที่ป่วยเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ความอดทนของเรานะแล้วอันนี้เรื่องนี้จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับหมอตรงที่ว่าเรื่องของความปวดอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าแบบสมมติบางทีคนที่เขาอดทนมากเขาก็าป่วยเป็นเหมือนกันนะคือในกรณีอย่างเช่นว่าในร่างกายของเรามันมีพวกซิง<บ>เกิลเซลล์ไมโครออร์แกนิซึมอยู่ถูกปะพวกแบคทีเรียไวรั ส, สอะไรเงี้ยมันอยู่ในอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีจํานวนมากพอที่จะทําอันตรายให้ฟังก์ชันอะไรต่างๆมันผิดเพี้ยนไปได้ซึ่งถ้าไอตรงตรงนี้มันมากขึ้นเนี่ยคนที่อดทนมากก็ป่วยได้เหมือนกันนะอันนี้คือลักษณะทีะ่ที่เป็นทางกายภาพทางการแพทย์ไปอย่างนี้นะ จึงจะต้องมาบอกว่าไอ้ความอดทนความเพียรตรงนี้ความอดทนขอภายความอดทนแล้วก็สุขภาพมีวันไปด้วยกันไปด้วยกันทีนี้พ ร, ระพุทธเาเคยใช้คําว่าคนที่อดทนต่อการทําความเพียรในนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาที่เขาออกกําลังกายอย่างเงี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างวิ่งวิ่งมาราธอนอย่างแมตต์เบนสันคนที่วิ่งมาราธอนเนี่ยคุณจะต้องวิ่งผ่านกิโลเมตรที่อย่างสมมติเราไม่เคยวิ่งมาก่อนเลย ค, คุณจะต้องวิ่งสามกิโลเมตรก่อนนะสามกิโลเมตรโอ้โหคนไม่เคยวิ่งมาก่อนยิ่งวิ่งสามกิโลเมตรนี่มันยากนะหมอละพงศ์<า>ไปถึงเส้นใจสามกิโลเมตรนี่ก็หอบแห้งแหกลแล้วแต่ฟุบเลยอ่าพอคุณวิ่งไปสักสามกิโลเมตรสักอาทิตย์นึงนะต่อไปรรคุณยืดนะยืดไปเป็นอห้ากิโลเมตรตอนที่เราจะวิ่งตั้งใจวิ่งห้ากิโลเมตรเนี่ยไอตอนที่เราวิ่งผ่านสามกิโลเมตรนี่มันรู้สึกเฉยเฉแล้วนะอ่าสบายมันสบายกว่าตอนที่เราวิ่งสามกิโลเมตรนั้นวันแรกใช่ไหมพอเราวิ่งห้ากิโลเมตรไปเรื่อยๆสัก อาทิตย์สองอาทิตย์นะบอกเราจะวิ่งสิบกิโลนะพอวิ่งสิบกิโลเนี่ยไอตอนที่จะวิ่งสิบตั้งใจว่าวิ่งสิบกิโลผ่านห้ากิโเมตรกิโลเมตรที่ห้าเนี่ยเออเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยน้อยกว่าวันแรกนั่นคือความอดทนเนี่ยประเด็นที่จะพูดคือยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มอืยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มออันนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงเป็นลักษณะของมัจคือยิ่งทํายิ่งมากยิ่งทํายิ่งเจริญยิ่งเจริญมีพ่อพูนอย่างถนนเนี่ยเรายิ่งตัดใช่ไหม คือทำเหมือนเดิมอ่ะทำซ้ๆำๆทำๆยำๆ emotions, มันงอออกไปได้น้ำมากก็เหมือนกันคุณทำซ้ำๆคุณทำย้ำๆมันง <ắng> ่ออกไปได้อความอดทนคุณทำซ้ำๆคุณทำย้ำๆใช่ไหมมันมันเคลืนจากสมกิโลเมตรเป็นห้ากิโลเมตรเป็นสิบกิโลเมตรเป็นยีสิกิโลเมตรเป็นสีิบกิโลเมตรได้นี่คือลักษณะของความอดทนอ<ๆ>แล้วก็ไอ้การอดทนเนี่ยตรงนี้พระเจ้าเคยพูดถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อการทำความเปลี่ยนะอดทนต่อการทำความเพียอรยอย่างเช<ๆ>่นว่าบุคคลที่ ทำความเพียรอย่างได้อย่างหนึ่งเนี่ยอดทนต่ อ, อเวลาเดินจงกรมอย่างเนี้ยปวดเมื่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้เพราะนั้นสู้สทำให้เหมือนกับว่าความอดทนกับการทำความเพียรเนี่ยเป็นของที่จะต้องมาคู่กันอยู่เสมอคู่กันครับมาคล้ายๆคู่กันอยู่เสมออย่างเช่นนักกีฬาทนต่ออ ด, ต อ, อดทนต่อพวกผัสสะที่ไม่ค่อยพอใจใช่ครับแล้วก็ความอดทนตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกว่า เป็นลักษณะของเป็นทางเลือกทางที่สามนะอย่างเช่นว่าถ้าเราคิดว่าเรานิ่งอยู่อย่างเงี้ยบางคนอาจจะเห็นว่าคนที่นิ่งอยู่เนี่ยนิ่งเพราะว่าอุ้ยคนนี้กลัวเลยนิ่งอยู่อีกคนหนึ่งอาจจะเห็นว่าเออคนนี้นิ่งอยู่คงเป็นเพราะว่าอไม่รู้ว่าจะตอบอะไรคือโงใช่แต่คนที่นิ่งอยู่ด้วยความอดทนเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะเพราะว่าทั้งที่รู้ใช่ไหมครับรู้แต่ว่านิ่งอยู่อนิ่งอยู่เพื่อดูว่าอะไรเป็นอะไรอะไรมาอย่างไงอย่างกรณีของพระอินเนี่ย ฉลาดตรง <Okay. S 1> ที่ว่าเราจะไม่ยุ่งกับคนผ่าน <Okay. S 1> นะเพราะเรารู้ว่าเราไม่ยุ่งกับคนพานเนี่ยเรานิ่งอยู่ได้นะตรงนี้คือความอดทนอืมทําให้บุทช่าบอกว่าเออเธออย่าไปดูดูหมิ่นความนิ่งของพระอาริยเจ้าใช่ไ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อ่าซึ่งคนที่อดทนเนี่ย อ, อจะเป็นคนในลักษณะที่นิ่งอยู่เพราะว่าด้วยความฉลาดทีนี้คนนิ่งๆเราก็ไม่รู้ว่าเขานิ่งเพื่ออะไรเพราะเราอย่าไป <Okay. S 1> ดูถูกคนอื่นว่าเขาโง่หรือว่าอะไร ใช่ไหมคืออย่าเป็นผู้ไปดูหมิ่นความนิ่งของพระอริยเจ้าครับนี้แล้วตัวเราเองอ่ะก็จะต้องเป็นผู้ที่อดทนให้นิ่งอยู่ให้มีความสงบเสงี่ยมอยู่นะบุคคลเนี่ยจะมีความงดงามได้เนี่ยพระุทธเจ้าบอกว่ า, วาก็ด้วยความอดทนและความสงบเสงี่ยมอืมในทุกๆสถานการณ์เลยใช่ไหมครับใช่ใช่นะยิ่งทําได้มากเรายิ่งเจริญนะคือมาร์กเนี่ยเป็นยิ่งทํายิ่งยิ่งดีละเจริญใช่ครับ อแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของความอดทนนี่ก็คือว่าพรุทธเาบอกว่าคนที่อดทนเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะทําให้เป็นผู้ที่ง่ายต่อการเข้าสู่สมาสมาธิอ๋อ อ, นนอันนี้เป็นเรียกว่าสําคัญเลยนะครับ อ, อย่างกรณีของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวมาเองนะตอนที่เ ร, รเราไปอินเดียน ะ, ะไปเมื่อปีสองสามปีมาแล้วละ่ะนะเราก็คิดว่าต่อชัวงชีวิตนี้ฉันจะไม่ไปอินเดียแล้วคือตัวเองเนี่ยเคยไปอินเดียมาสิบกว่ารอบแล้ว แต่ไม่เคยไปสังเวีชนิยสถานตั้งแต่ตอนเป็นคารวาสอะนะเวลาเราก็ทราบเราบว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้านเมืองเป็นยังไงอาหารเป็นยังไงเราคิดว่าเราจะไม่ไปหรอกแต่ว่าหลวงพ่อบังคับให้ไปก็เลยไปนะครับคือพอไปแล้วเนี่ยก็อาหารก็อย่างว่านะหมอรัชพงศ์สิ่งเวลาไม่ก็อย่างว่าการจราจรก็อย่างว่ารถยนต์ก็อย่างว่าผู้คนก็อย่างว่ากลิ่นก็อย่างว่านะแล้วก็เลยแต่เรามีความคิดว่า โอ้ยเราไปสถานที่ที่พระเจ้าประสูตย์เนี่ยเราแตะสรุ ป, ปินิจพานเนี่ยเราจะไม่ไม่ต้องการจะคิดเรื่องไม่ดีเลยนะเราจะสมรวมจิตเราอย่างยิ่งเลยนะเรามีอะไรมากระทบเรานิ่งมีอะไรกระทบเราเฉยนะคืออดทนไว้ว่างกันเถอะกลับมาเมืองไทยเนี่ยพราะว่าไปสิบวันอย่างเงี้ย น, นะกลับมาเมืองไทยเพราะว่าโอ้ยทำไมสมาธิเราดีขึ้นเนาะเราเข้าสมาธิได้ไหวฮะเป็นเพราะอะไรนะํามาเจอพระสูตรนี้ก็เลยสอดคล้องกันพอดีนะถ้าเราเป็นผู้อดทนต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะทําให้ ง่ายต่อการเข้าสู่สม า, สมาธิออืืโดยเฉพาะเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจใช่ใช่ทีนี้อย่างอย่างกรณีของออว่าไอไอความอดทนต ร, ต, รตรงนี้เนี่ยนะครับเรา อ, อาจจะเคยเห็นตัวอย่างของคนที่เขาเขารักกันอย่างเงี้ยสองคนรักกันอย่างเงี้ยนะคนหนึ่งก็อดทนกับอีกคนหนึ่งได้ทุกอย่างเลยนะเขาจะทํำไม่ดีอะไรแค่ไหสมมติกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ย บกินข้าวด้วยกันเลอเออออกมาเา<ๆ>นี่ยอ้ยน่ารักจังนะ่ารักจังเน่ยเป็นไงเห็นขนาดนั้นเลยนะหรือบางทีอดทนตอ่อ เ, เ, เขาบ่นเขาด่าเขาว่าอะไรก็อุย้ยไม่มีอะไรหรอกก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างงี้นะ ค, คือแบบคนรักกันเป็นอย่างนี้แต่พอหายรักกันเมื่อไหร่เลิ ก, กรักกันละนยเกลียดกันขึ้นมาป่านนี้พอเป็นลักษณะนั้นขึ้นมาแล้วอะไรนิดนหน่นอยหน่อยก็ทนไม่ได้อย่นะสมมติกินข้าวหกนิดนด น, ด น, ด น, ดนึงก็ดาก่ากันแล้วว่ากันละอืมครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นหมอรงศคิดว่า เพราะว่าเหมือนกับคือความแจืดจางคือความอดทนตรงเนี้นะหมารดพงมันแปลผันไปกับเอชันทะหมายความว่าอะไรหมายความว่าสมมุติเราเรารักกันเนี่ยมีฉันทะเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ครับพอคนรักกันเนี่ยอะไรก็ทนได้หมดนะแต่พอชันทะมันหายไปเนี่ยความอดทนก็หายไปอนันี่คือลักษณะของอิทธิบาสีเอามาดูอย่างยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเรานะอดทนต่อ สมมติตอนนั้นพระเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่นะก็นอนทนหนาวอยู่ในที่หนึ่งแล้วก็มันหนาวเนี่ยก็เลยไปอยู่กับบัวควายที่มันหลุดออกมาจากอคอกใช่ไหมไปอยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยมีเด็ก เ, เลี้ยงบัวเลี้ยงควายเขามาตามบัวตามควายของเขาก็เห็นโพธิสัตว์เนี่ยนอนอยู่นะก็กอดอยู่ก็เลยฉีใส่แล้วก็เอาไม้ยางหู<อ>นะฉีใส่ไม้ยางหูก็ไม่มีความโกรธอดทนได้นะกรณีที่สองคือตอนที่พพุทธเจ้าท้องกิว่ว อดข้าวท้องกิ่วนะครับคือจับหน้าท้องเนี่ยจับสะดือตรงสะดือเนี่ยนะมันไปถึงหลังเลยนะหมอรัว์บอกไปถึงกระดูกชั้นหลังนี่ไอของเรานี่มันยังติดไขมันไม่รู้กี่ชั้นติดเนื้อแล้วก็ติดไส้เต็มไปหมดนะใช่ครับเออหรือจับหลังอย่างเงี้ยจับหลังเนี่ยเอื้อมือไปข้างหลังไปจับตรงกระดูกสันหลังเนี่ยก็ถึงแผ่นท้องเลยนะคือหนังบางมากท้องกับหนังคือไส้เนี่ยมันแทบไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยว่างั้นเถอะมันถึงจับติดกันได้ แลนะเราเอื้อมมือไปจับข้างหลังเนี่ยไม่ถึงกระดูดสันหลังด้วยบางคนกระดูดสันหลังกว่าจะถึงนี่หนาเต่อเลย<ช>ไขมันแต่พุทธเจ้าเนี่ยไม่กินข้าวนะอดทนได้ขนาดนี้เฮ้ยทำไมอดทนได้หมอท่านผงเพราะว่ามีฉันทะไงในตั้งเอาไว้ในความที่จะจิตจะเป็นสมาสมบุตริญานพระพุทธเจ้าบอกชัดเจนตรงที่จิตมีจิตไม่โกรธเด็กน้อยพวกนั้นเนี่ย ก็เพราะรว่าสัมมาสัมพุทธญาณเรามีจิตปรารถนาในสัมมาสัมพุทธญาณอนตรัสสัมมาสัมพุทธญาณเราจึงไม่มีความขัดเคลืองแม้นิดเดียวในเด็กน้อยพวกนั้นเพราะฉะนั้น ค, ค, ค, คุณตั้งความพอใจไว้ในที่อะไรในะอย่างเช่นว่าพนักงานสองคนคพนักงาน2 ค, คนหมนรัตงศ์คนหนึ่งนะเดี๋ยวก็บ่นนั่นทนําไว้นี่ไม่ได้อ อ, อดโอยงานเลิกเย็นหน่อยโอทีเด็กแล้วก็บ่นขึ้นมา น, นี่คือกรณีที่1กั่พนักงานาคนหนึ่งให้อะไรทํามันก็ไม่บ่นไว้ มันก็ทําได้ไวเออโอทีมันก็ทําได้เสาที่เรียกมามันก็เอาอย่างเงี้ยเออให้ถามว่าคุณหมอเนตพง์ถ้ามีเอ่ามีงานที่สําคัญมีงานที่สําคัญจะมอบให้คนไหนทํามอบคนที่อดทนครับแน่นอนเพราะว่าพอเขาได้งานที่สําคัญทําเนี่ยเขาได้โชว์ฝีมือเขาขึ้นเหนือกว่าไอ้คนที่ไม่อดทนใช่ครับแล้วแน่นอนนะไอ้คนที่ไม่อดทนเนี่ยมาเนตพง์เขาจะมีการเพ่งอย่างมากระเจอะอืมย่างคืออะไร น่คือขอข้าวเปลือกขอข้าวเปลือกวันนี้จะได้กินข้าวเปลือกไหมหรือว่าวันนี้จะได้กินข้าวแกลบหรืออะไรแล้วเขาจะหวังเช่นหวังสองขั้นแล้ววันนี้ทําไมปีนี้ไม่ได้โบนัสรือได้โบนัสเดือนเดียวทำไมไม่ได้สามเดือนเอาทำไมวันละมีสิห้าวันมันรถของฉันได้ยังไงเป็นประเภทนี้คือคือม้ากระจอกม้ากระจอกจะมีการเพ่งอย่างม้ากระจอกแต่คนที่มีความอดทนเนี่ยจะมีความเพ่งอย่างม้าอาชัยม้าอาชนัยจะมีความเพ่งว่าเอ้ยวันนี้หัวหน้าเราจะฝึกอะไรแล้วฝึกมางี้ฉันจะตอบสนองยังไงอนี่เป็นต้น เพราะคนที่อดทนเนี่ยมาลพงศเขาจะมีความพอใจในสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีอย่างเช่นว่าสมมุติเอาบอกว่าฉันเป็นคนดีครับฉันตั้งความพอใจในความที่ฉันเป็นคนดีใช่ไหมมีอะไรมากระทบเรื่องชั่วๆอย่างเงี้ยฉันอดทนจะไม่เอายังมีผู้หญิงมายุ่ยยวนนะฉันอดทนฉันไม่ออาเพราะอะไรฉันเป็นคนดีฉันไม่ทําเรื่องชั่วๆเข้าใจไหมเราจะอดทนต่อภาษะพวกนั้นได้ไม่มีปัญหาเลยคุณมาลพงศลองพิจารณาดูนะความอดทนเนี่ยมันมีมันมีอยู่สองแบบ คืออย่างสมมุติคนที่รักกันใหม่ๆอย่างเงี้ยคนรักกันเนี่ยนะอะไรที่มันดูเหมือนจะไม่สามารถอดทนได้นี่นะมันยังอดทนได้ทนได้ครับโดยที่คนที่อดทนเนี่ยคนที่อดทนเนี่ยนะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องลําบากอะไรเลยนะเข้าใจไหมสบายๆเลยสบายๆเลยเฮ้แต่ทําไมพอเลิกรักกันแล้วเนี่ยนิดๆหน่อยๆจีบไปหมดอดทนไม่ได้ไม่ได้ครับหรือนี่คือกรณีที่หนึ่งว่าความอดทนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวด ก็ใช่ไหคือทนได้โดยที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดนะกับอีกกรณีหนึ่งคือทนได้อยู่แต่รู้สึกเจ็บปวดออย่างเช่นอะไรอย่างเช่นว่าอคุณคุณนั่งสมาธิอย่างเงี้ยถ้าจิตเรารวมเป็นสมาธิมากมากเลยเนี่ยนะความเจ็บปวดอะไรมันหายหมดไม่มีแต่ถ้าจิตเราเป็นสมาธิอยู่แต่ไม่มากเราจะยังมีความปวดเป็นนั่นและนี่เข้าใจไหมมันจะมีอยู่สองแบบอย่างนักกีฬาเวลาเขาต่อสู้อย่างเงี้ยอย่างอย่างเอานักรบออย่างเงี้ย นะนะมวยนักรบอย่างเงี้ยไปสู้กันเนี่ยต่อยตกันไปใช่ไหมหรือสู้สู้กันไปเนี่ยถูกต่อยถูกอะไรบ้างมันก็เจ็บแต่ว่าทนได้ทนได้ทนได้โดยที่ถ้าเขามีจิตหวังในชัยชนะเนี่ยนะหรือว่าหวังในความที่จะใช้เทคนิคให้ถูกต้องเนี่ยนะเขาจะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้หนึ่งสองเวลาโดนอะไรมาเนี่ยมันก็จะไม่เจ็บครับโดยที่ไม่ต้องมารู้สึกว่าโอ้ยทนเจ็บคือคุเหมอนพลเขาใจมไหมว่าอดทนโดยที่ต้องทนเจ็บก็อดทนโดยที่ ไม่มีความรู้สึกเจ็บอออ่าย่างเงี้ยนะอย่างหลังเหนือชั้นกว่าอยกตัวอย่างเช่นว่าเด็กนั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยทําไมนั่งเล่นเกมนิ่งๆสามชั่วโมงได้ใช่ครับแต่พอนั่งกินข้าวกับพ่อแม่ห้านาทีไม่พอแมันลุกหนีล่ะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นตอนที่นั่งสามชั่วโมงเนี่ยนะนั่งเล่นเกมสามชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้ขยับอะไรมากมันไม่น่าจะทนได้นะครับนึกออกไหมแต่พ่อไปถามเด็กอะ เธอรู้ไม่ว่าเธอนั่งเล่นสาชั่วโมงไม่รู้เลยแล้วไม่ปวดขาแล้ไม่ปวดเลยไม่ปวดเออแต่พอนั่งอยู่นิ่งๆเดี๋ยวก็ปวดนั่นปวดนี่พอแล้วบิดนั่นบิดนี่ตามทั้งที่ว่า อ, อมันปวดนิดเดียวแต่ทนไม่ได้ ค, คุณหมอแล้วผมเข้าใจไหมตรงนี้เข้าใจครับเออเหมือนให้ให้เด็กนั่งเรียนหนังสือเนี่ยแป๊บเดียวก็ยุกยิกละแต่ให้นั่งเล่นเกมเนี่ยใช้เวลาอย่างสามชั่วโมงที่ท่านบอกไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียเวลาหรือว่ายุกยิกใช่ครับนั่นก็เพราะว่าเอ เราเรามาพูดถึงการปฏิบัติน่นะนั่นก็ราะว่าไอ้ความอดทนเนี่ยมันมันมีอยู่ในทุกส่วนของมร์ไงถ้าเราจะบอกว่าความอดทนเนี่ยเป็นแค่สัมมาวยามะที่คุณสามารถทนได้มันไม่ใช่มันยูมีส่วนที่อยู่ในสมาสมาธิก็มีนะทาให้คุณสามารถนิ่งอยู่ได้นิ่งอยที่ไม่ไม่รู้สึกจะต้องทนอะไรแต่ถ้ามันอยู่ในส่วนของสัมมาวยามะที่ต้องละอย่างนี้นะก็เป็นส่วนที่จะต้องมีความอดทนที่จะต้องทนคือสัมมาวยามะนี่มันมีสี่ส่วนใช่ไหมส่วนที่ทําให้คุณทําเจริญ ส่วน<ช>ที่ทำให้อกุสุนธรรมมันละไปถ้ามันไปตกอยู่ตรงส่วนนี้มันจะต้องมีความต้องทนละต้องมีเวทนา ท, ที่ที่ต้องอดทน<ช>แดังนั้นถ้าเราถ้าเราเลือกมรรคให้ถูกเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเราเลือกทําจิตให้ถูกเนี่ยมันก็จะสอดคล้องไปกับเรื่องของทุกขาปฏิปทากับ อ, อะไรล่ะทุกขาปฏิปทากับสุ ข, า ป, สขาปฏิปทาทุกขาปิปทาใช่ถ้าคุณคือมันต้องสองอย่างอดทนหมดใช่ไหมโดยที่ถ้าคุณเป็นสุขาปฏิปทาเนี่ยคุณก็อาจิตคุณไว้ในสมาสมาธิซะ ความที่จะต้องทนตรงนี้มันก็จะไม่ต้องทนคือมีความอดทนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเจ็บนในขณะที่ถ้าคุณเอาจิตไว้ในสัมมาวายมะส่วนที่ต้องละเนี่ยก็จะมีความอดทนโดยที่จะรู้สึกเจ็บก็จะเป็นพวกทุกขาปฏิปทาคือความรู้สึกเจ็บตรงนี้เราเคยพูดไปแล้วว่าไม่ใช่ว่าจะต้องไปเจ็บตัวเจ็บอะไรนะแต่ว่าพูดถึงการพิจารณาใช่ไหมคนที่เป็นสุขาปฏิปทาเนี่ยจะอยู่ในสมาธิ ส่วนคนที่เป็นทุกข์ขับปฏิปทาเนี่ยจะเป็นการพิจรนนารนณาเนี่ยนี่นีไ่นครับพิจารณาเห็นพวกสังขารไม่เที่ยงปสัสสะเป็นต้นนะ <S <S ครับตัวตัวขันติหรือความอดทนเนี่ยเป็นจัดอยู่ในตัวขันห้านี้อยู่ในหมวดไหนครับท่านก็จะเป็นเรื่องของสังขาร อ, อสังขารจะเป็นอันเดียวกับสติเลยคือคือสามอันนะี้คือสติความเพียรแล้วก็สมาธิเนี่ยมันขันติเนี่ยจะอยู่ในพวกนี้ คือคือมันสอดแทรกอยู่หมดใช่ไหมอย่างสมมุติเวลาคนที่จะทนชนิดที่จะทนเจ็บได้เนี่ยคุณก็ต้องมีสติคนที่จะต้องอยู่ในสมาธิถ้าทำให้โดนอะไรมาก็ไม่รู้สึกอะไรเป็นนติอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็ชื่อว่าก็ต้องมีสติในการที่จะอยู่ในสมาธินั้นอืมเข้าใจไหมเคียงคู่กันไปอ่าก็คือจะปนปนกันอยู่ในนี้หมดเลยครับคือก็ก็อยู่ด้วยกันหมดเลยอย่างเงี้ยออืืมมครับแล้วแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งมรดพงคือคนที่อดทนเนี่ยนะ ก็รู้สึกจะมีส่วนที่ทําให้อายุยืนด้วยแลเพราะว่าเพราะว่าจะความที่มีโรคน้อยนะคือมีมีโรคน้อยเนี่ยคือการเดินการอดทนใช่ไหมครับมันมาด้วยกันแล้วก็มีโรคน้อยมีโรคน้อยก็จะทําให้เวทนาต่างๆมันเบาบางลงไปก็จะทําให้มีอายุยืนได้ก็คิดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่ในหมวดนี้เนี่ยนะอย่างนี้การภาวนาด้วยการเดินจงกรมนี่ก็ ตรงๆอย่แล้วคือทําให้อายุยืนใช่ไหมครับจะทําให้มีโรคน้อยโรคน้อยใช่ใช่มีเวทนาเบาบางตรงส่วนนี้คือที่มีเวทนาเบาบางเนี่ยก็เพราะว่าเราทนได้ใช่ครับใช่ไหมอย่างอย่างบางเรื่องที่เข้มฉีดยาอย่างเนี้ยในเรื่องของหมอนี่เยอะแยะไปหมดเลยคนที่สามารถทนได้นี่ก็จะเป็นแบบหนึ่งคนทนไม่ได้ก็อีกแบบหนึ่งเนาะมีการแสดงออกที่แตกต่างกันซึ่งในเรื่องนี้หมอฤาภงมีประสบการณ์ครับ อ ย, อย่างกรณีของคนไข้สองคนเนี่ยซึ่งอย่างหัตถการเหมือนกันอย่างเช่นต้องจิตยาถ้าคนหนึ่งเนี่ยมีความอดทนสงบสงเง่ยมเนี่ยเราก็สามารถทำด้วยความประนีตแบบเรามีความเต็มที่ครับว่าให้ให้การรักษาที่ที่ดีที่สุดประนีตนะครับแต่สมมติอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่อดทนน้่นก็เจ็บนี่ก็กลัวโอ้โหเราก็ต้องปลอบประโลมเสียเวลาไปละแล้วก็ อะไรนิดนึงก็สะดุ้งสะเทือนอย่างเงี้ยคนทำก็รู้สึ ก, สกรู้สึกเครียดแล้วก็นะใช่ครับกังวลเหมือนกันว่า เ, เดี๋ยวเขาจะรู้สึกอะไรต่อไหมอย่างเงี้ยทำให้การรักษาผลการรักษานี้จะแตกต่างกันเลยนะครับท่านครับ<อ>ทำให้โอ้คนนี้ก็จะได้แบบอาจจะไม่ไม่สิ่ที่ดีที่สุดใช่ครับเรื่องนี้แต่มาเคยเห็นหลายหลายคนนะที่เขาจัดฟันนะมรดพงษ์ ตอน<ช>สมัยเด็กๆเนี่ยพ่อแม่พาไปจัดฟันเนี่ยบอกไม่ได้ไม่เอาเจ็บเจบไม่ไม่จัดฟันฟันเกยียนะแต่พอมาโตมาตรงอายุตัวเอง30สิอย่างเงี้ยเพิ่งจะมานึกถึงความสวยนะก็เลยจะไปจัดฟันไปจัดฟันถึงตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องถอนฟันมันจะเจ็บมากกว่าตอนที่สมัยเด็กอีกแต่ทําไมพอโตมาแล้วคุณทนได้มีฉันทะเพราะมีฉันทะในความตั้งไว้ในความที่ฉันอยากสวย้ใช่ไหมกรณีเดียวกันเลยอย่างพุทธเจ้าเนี่ยมีความปรารถนาในสมาสมุทิยานตั้งฉันทะเอาไว้ เพรฉะนั้นต่อให้อะไรมันไม่ใช่เรื่องที่ฉันต้องทนเลยฉันสบายเข้าใจไหมใช่ครับอย่างสมมตินักกีฬาตั้งเป้าไว้ที่เป้าหมายคือเส้นชัยเส้นชัยเหรัทองความสําเร็จเนี่ยอะไรที่อยู่ระหว่างนั้นไม่ใช่ไม่สนใจเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฉันต้องทนครับเป็นเรื่องที่ฉันทําได้สบายๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้คืออิทธิบาทสี่แม่คือมันอยู่ในนี้หมดเลยมาลัทธิพงษ์นยกออกไหมครับเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ทั้งอิทธิบาทสี่คือ คืออันนี้เราเห็นชัดอย่างตัวเราเองเนี่ยคือใครก็ได้ยินฟังเอ้อไม่ว่าจะเป็นนายกรนายขออย่างเช่นว่าอ่าน เ, าเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเราตั้งฉันทาวไว้ว่าเอ้ยฉันต้องเรียนให้จบนะอุ้ยแล้วคุณต้องอ่านวันนึงนอนสามสี่ชั่วโมงอ่านตั้งาถึงสี่ทุ่มห้ท่อย่างเงี้ยเอ้ยจะเป็นคุณทนได้อะแต่เราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องมาทนอะไรนะในขณะเดียวกันเนี่ยคนอื่นที่เขาไม่ชอบเนี่ยโอ้ยทําได้ไงเขาไม่เรียนหนังสืออย่างเงี้ยเขาไปหาเล่นหากินเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งฉ อใช่ครับถูกไหมอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดอย่างลึกๆกันนะใช่ครับอเพราะฉะนั้นเรื่องชันทัดเนี่ยจึงจึงมาด้วยกันอยู่ในอิทธิบาทสีด้วยอยู่ในมักแปดด้วยความอดทนด้วยอย่างเงี้ยครับอย่างพวกที่ถูกจับเป็นตัวประกรันก็เหมือนกันนะเอ่าใช<ม>ค่ครับครับอย่างอย่างเราจะเห็นบ่อยๆเลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ ม, มีแบบมีการถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันอย่างเช่น คนร้ายเอามีดจอที่คอของตัวประกันเนี่ยถ้ากรณีคนที่ยุกยิกหรือกลัวเนี่ยส่วนใหญ่คนร้ายก็มักจะบางทีก็เชื่อตเลยเก็บเสลยอ่าใช่แต่คนที่นิ่งนิ่งอยู่อ่าอดทนได้เนี่ยเขาก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ไปได้ครับบางคนก็ค่อยๆตะล่อมปลอบโยนคนเออคนร้ายบางทีคนร้ายเออเผลอหรือ ยอมก็มีหนีไปได้เนาะเขาก็เขาก็สามารถรอดออกมาได้อันนี้เราเห็นนะว่าแตกต่างกันก็คือสตินั่นเองคือ ค, คนที่อดทนตรงนั้นได้เนี่ยเขามีสติในการที่จะรวบรวมตัวเองขึ้นมานาระลึกถึงความที่ฉันจะต้องมีเอาตัวรอดนะก็เลยไม่แสดงเกิริยาอะไรที่มันจะเสี่ยงต่อความมีปัญหาใช่ครับความเป็นความตายแม่มันมากันหมดเลยเมาแล้วพงศ์เห็นไหมเราจะเห็นว่าไอ้จิตของเราเนี่ยมีองค์ประกอบพวกนี้หมดเลย คือจริงๆมันมันคือการที่พระเจ้าอธิบายนี่นะมรดพงศ์แปลว่าพระเจ้าต้องอธิบายอาการของจิตทั้งหมดนั้นด้วยความรัดกลุ่มรอบครอบครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยคืออาการของจิตมรดพงของจิตสมาของจิตท่านฟังของจิตใครก็แล้วแต่เนี่ยจะเหมือนกันหมดอาการของจิตนะจะเหมือนกันหมดแต่การอธิบายบทเพียนชนะว่าเออจิตท่านเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ไม่เนียบเท่าพระเจ้าดังนั้นเราจึงต้องไปหาบทเพียนชนะของพระเจ้า นะคือคือกรณีเนี้ยเราจะพบว่าโอ้โหมันมีทั้งไอ้นีไน่ไอ้นู่นไอ้ลักษไอ้นัน่นอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนะคือมีทั้งฉ<ช>ันท่าทั้งความเพียนทั้งสมาธิทั้งสติอยู่รวมกันหมดตรงนี้แหมมันคือมันคือสิ่งที่ดีมากนะนะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยทําให้บางคนเนี่ยจะมีอันตรายตรงตร ง, ตรงอันที่สองนะว่าถ้าเผื่อว่าเราไปวิเคราะห์มันมากเกินไปเนี่ยเราจะกลายเป็นฟุ้งซ่านไป เอ้ยนนี้มันสติเอ้ยหรือว่าอันนี้มันสังขารอหรือว่ามันเป็นสมาธิเอ้หรือมันเป็นกลับมาเป็นไบยัมะอะไรกันไปหมดมันจะมึนไปอ่าซึ่งซึ่งจริงทำพกตำรามาภาวนาใช่ไหมครับที่พ่อที่ที่พูดตรงนี้ก็คือว่ามันเหมือนกับว่าเอ่อคุณเอาข้าวมาจารนหนึ่งอย่างเงี้ยเอาข้าวมาจานหนึ่งเป็นเข้ากล้องอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าก็จะอธิบายว่า คือคนที่เขารู้ว่าข้าวกล้องมันมีอะไรเนี่ยเขาจะอธิบายเลยมี B ีหนึ่งนะมี C ก็มี A ก็มีนะแล้วก็มีอย่างงี้นะไอสารที่มันเรมีอะไรมีสารมาประกอบอย่างงี้นะโอ้โหมีเขียนได้เป็นหน้าเลยข้าวจานเดียวนะกินคําเดียวก็จบแล้วครับเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าเรามารู้มีสติอย่างเดียวคือจบสติแล้วโอ้โหมีตั้งสอย่างแล้วอย่างทําไงเอ้ยเราหมายใจอย่างเดียวว่าจบอนึกออกไหมคือกินข้าวคุณก็จบเลย อันอที่ไม่ต้องอไม่ต้อง <c oughs> รู้ว่ามันมีอะไรไอยู่ข้างในมันดีพอละมันดีพอละมาร์กนี่ดีใช่ไหมดีโอเคฉันกินนะก็แค่นั้นเองแค่เรามามีสติอยู่ในลมหายใจคือจบเลยนะอดทนแรงต่างมาหมดเนะนาะในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือประเด็นเรื่องของความอดทนคุณหมอแล้วคงมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้ไหมอย่างกรณีขันตินี่ที่เราได้ยินบ่อยๆว่าขันติโสระจักก็อดทำโสระจักคือความสงบสงี่ยมนิ่งอยู่ได้ โอ้มีประเด็นหนึ่งอที่หมอเขาล้างแผลครับตมาเคยเป็นนะคือแผลอักเสบแล้วหมอนี่เขาต้องล้างแผลล้างแผลนี่เขาห้ามฉีดยาชาด้วยนะเพราะว่าไอ้ยาชาเนี่ยมันจะทําให้ไอ้เซลล์มันแปลสภาพไปหรือลักษณะนี้ถูกไหมเราจะไม่รู้ว่าไอ้แบคทีเรียมันกินไปถึงไหนเพราะนั่นเนี่ยหมอที่เขาล้างแผลนะพีใครเคยมีประสบการณ์นี้นะขอโทษทีเถอะมันมันล้างสดจริงๆมันเหมือนกับหมอมันว่ามันเหมือนกับตกนรกอะ หมอแต่มันไม่มีความปราณีเลยแล้วมันขยี้เข้าไปเนี่ยนะแล้วไอ้เนื้อทิชชู่ที่มันเละไปแล้วเพราะว่ามีการกระทําของไอ้แบคทีเรียเนี่ยนะโอ้โหอันขูดออกหมอล้วพงศ์ขูดใช่ครับแล้วแล้วหมอนี่เขาไม่ไม่แคร์คนไข้ว่าคนไข้มันจะเจ็บขนาดไหนก็จะไหมยิ่งถ้าคนไข้เจ็บมากนี่บางคนนี่ต้องตัดขาอย่างเงี้ยเคยมีหลายหลายคนนะแผลอวาัย้ะคือคือหรือแผลธรรมดาก็แล้วแต่เถอะมีเคสบางเคสเนี่ยอรามาก็เคยเจอ ว่าเขาเขาต้องตัดขาคือไม่ได้มีคอมพลิเคชันอะไรมากเลยนะแค่ว่าเจ็บคุณคุณไม่ยอมทำอย่างเงี้ยแล้วไปเรื่อรังไปเรื่อยตัวเองกลัวไม่ยอมไปหาหมอจนกระทั่งมันเน่าเฟะเละมากขึ้นอ้าวล้างไม่ได้แล้วต้องตัดทิ้งอย่างเงี้ยครับแค่ความไม่มีอดทนเท่านั้นเองต้องตัดขาถูมใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะทําให้เราพบว่าถ้าคุณอดทนนะอคุณล้างแผลได้นะคุณรอดได้ไวกว่าคนอื่นไหคือยังไงผู้ชายกุยก็ตองความอดทนมากอยู่แล้วล่ะครับอืม อย่างนี้ในแง่ของคนส่วนใหญ่อย่างจะไปหาหมอหรือจะมาทําฟันอย่างเงี้ยเขาจะใช้คำว่ากลัวที่ไม่มาเพราะว่ากลัวอย่างเงี้ยความอดทนจะไปแก้จุดตรงนี้ได้โดยตรงไหมครับทันรันคือกลัวกลัวเจ็บไงกลัวเจ็บใจครับกลัวเจ็บถูกไหมกลัวปวดกลัวกลัวเจ็บอย่างเงี้ยคือกลัวเจ็บนี่เป็นเป็นเบสิกสุดเลยคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะมาหล่นอยู่ตรงกลัวเจ็บทีนี้ถ้าถ้าเรามีความอดทนเนี่ยเราจะไม่กลัวเจ็บเลยไงครับ อ่ามันคือเราจะอดทนได้โดยปริยายเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความปรารถนาที่จะให้สวยให้ดีนะคือคน <Hi. S 1> ดอีอ่าให้หายอย่งอย่างพนักงานที่เขาดีอย่างเงี้ยเขาตั้งความปรารถนาไว้ในความที่เขาเป็นคนดีนะครับคือหมายก่าว่าฉันจะเป็นคนดีเพราะฉะันจะไม่อู้งานฉันอดทนต่อไอ้ที่ว่าทํางานล่วงเวลาบ้างอะไรต่างๆ ม, มากอดทนได้อย่างนี้นะครับเพราะแต่ว่าไอ้คนที่อ่าทำงานไม่ได้เรื่อง แล้วก็มีการเพ่งอย่างมากระจอกทำให้ผู้ชอบพูดถึงการเพ่งอย่างมากระจอกกับการเพ่งของอย่างมาอาชาไนมันจะคนละเรื่องเลยแค่เขาเปลี่ยนทัศนคตินิดเดียวเปลี่ยนวิวนิดเดียวเปลี่ยนทิฏฐินิดเดียวแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่อดทนขึ้นมาได้ทันทีแต่ตมาเคยเจอเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ไกลเป็นสิปีอ่ะจากเมื่อก่อนมันอ้วนอ้วนแล้วมันกลายเป็นผอมขึ้นมามีกล้ามเป็นมัดมัดนะเพราะว่าเขาแค่เขาเปลี่ยนความคิดนิดเดียวเปลี่ยนยังไงครับว่าอยากจะมีหุ่นที่ อ่ามีสุภาพแข็งแรงตัวเองไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้อ่มีความทุกข์ในเรองความอ้วนตัวเองจะเปลี่ยนความคิดขึ้นมาไอ้ที่จะมีความสุขต่อการกินก็อดทนได้อดทนหิวได้อย่างเงี้ยครับเนาะใช่ครับอย่างตัวที่จะเปลี่ยนพลิกความคิดเนี่ยจะเป็นอยู่ในหมวดของสัมมาทิฏฐิด้วยไหมครับใช่สมมาทิฏฐินั่นเองนึงก็มามาเป็นมัก ทั้งก้อนอีกเหมือนกันใช่ใชไหมครับคือมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยไหมทําให้รพระพุทธเจ้าเวลาประกาศบัญญัติธรร ม, มะนี่ก็เป็นหนทางเดียวนะที่มีองค์ประกอบแปดอย่างอย่างนี้นครับ no. นี่คือคในเรื่องของความอดทนอีกประการหนึ่งคือเรื่องของความอดทนกับกายการะสับกระส่ายเนี่ยไม่เหมือนกันหมอรัฐวงศ์ครับเอคือไงไงคว่าพระพุทธเจ้าตอนที่ทําความเพียรเอาลิ้นดันเพนดานแล้วก็เอกลั้นลมหายใจอ่นะวะันละที่สองที่สามเนี่ยก็ตัวเองกายกระสับกระส่าย นะไม่สงบนะเพราะว่าความเพียรที่ทนได้ยากเสียแทงเอาคือมีความอดทนไห ม, มีมีสติไหมมีนะแต่ทำไมกายการะสับกระสายซึ่งมันเป็นคนละส่วนกันไงครับคือกายการะสับกระสายเนี่ยหมายความว่ากายไม่สงบระงับอย่างอย่างเราพูดถึงฌานสอย่างเงี้ยนะคุณมีกายสงบระงับอย่างเงี้ยนั่นคือคุณต้องได้สมาธิระดับนั้นะแต่ว่านี่ทําไมกายการะสับกระสายคือดุกดิบไปมาอย่างเงี้ยนะดุกดิบไปไมาทําไม <pierwsze. S 1> เอาก็เพราะว่ากําลังแห่งความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาแต่มีความอดทนไหมโอ้โห oh, มีเต็มร้อเลย มีสติไม่มีเต็มร้อยเลยนะแต่กายกระสับกระสายเพราะฉะนั้นมันก็คือคนละส่วนกันออย่างนี้นะครับไม่เกี่ยวกับว่าจิตนี่ไม่ไม่แบบจิตไม่นิ่งอย่างนี้ไหมครับเพราะว่าถ้าจิตไม่นิ่งกายก็ไม่นิ่งอย่างนี้เกี่ยวข้องกันไหมครับเ อ, อตรงนี้จะเป็นเรื่องของความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาอทําให้กายกระสับกระสายนะคือจิตเป็นสมาธิแน่พระเจ้าตอนนั้นนะครับ เพราะงั้นจะไม่มีความอดทนระดับนั้นจะไม่มีสติระดับนั้นควบคุมจิตได้ระดับนั้นนะแล้วก็เพียงแต่กายมันกระสับกระสายคือมันเหมือนเป็น body reflection มากเลยมาคิดว่าอือครับออย่างสมมุติว่ามีคนมาเจาะเอะเราข้างหลังเนี่ยเราก็จะอุ๊ยตกใจตอน <ตก S 1> นั้นที่จิตเราอาจจะนิ่งอยู่หรือว่ามีคนเอา ม, ามือมารูปผ่านหน้าเราอย่างเงี้ยเอาทำไมคุณกระพริบตาอย่างเี้ยป็นปฏิกิริยาของร่างกายออโตนมิกออโตนมิกคัตโนมัน ซึ่งตรงนี้ก็เป็นลักษณะของความกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะความเพียรที่ทนได้ยากเสียดแทงเอาลับกษณะนี้นะกันก็จะครบทุ่นกระบวนความเรื่องของอืความอดทนใช่ครับประเด็นที่สองที่จะพูดในวันนี้คือเรื่องของความตายมรครับเรื่องของความตายนี่เป็นอย่างนี้สมมติเราพูดถึงคนที่ผ่านประสบการณ์เฉียดเกือบตายอ่อชุดตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเรา ถูกจะไปอย่างเงี้ยถูกจะไปแล้วก็ถูกล็อกอยู่ที่บนทางรถไฟอย่างเงี้ยผู ก, กเ<อ>ชือไว้แน่นหนารถไฟกํบบาลังแล่นปรีเข้ามาเลยพรากฏมีคนคนหนึ่งมาช่วยชีวิตเราออกจากตรงรถไฟนี้ได้เราไม่ตายรนะหรือว่าอยู่ในอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเรารถชนตุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยเราถูกล็อกอยู่ในรถมีคนเดินข้างถนนอ้าคุณเป็นอะไรเอ้าวดึงก็ออกมาดึงออกมาปุ๊บรถระเบิดเติมอยเ้ยโอ้อโหเราช่วยเขาช่วยชีวิตเรานั้นนั่นแหละนะหรือว่า เราอยู่ในเหตุการณ์เฉียดอื่นๆเนี่ยซึ่งเราดูทีวีเราเคยอาจจะเคยประสบการณ์หรือดูหนังมอย่างนี้นะโอ้โหเฉียดมากมเลยนะหรือย่างบางทีในสงครามอย่างเงี้ยเพื่อนที่ไปออกรบกันเนี่ยคุณผลักเขาเขาหลบลุกกรสุนได้โอ้โหมันช่วยชีวิตกันนี้จนทั้งสุดท้ายนี่กลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปเพื่อนตายกันไปบางกันเถอะนะตายแทนกันได้ ค, คือลักษณะนี้คือเป็นเพื่อนตายแตนะ่คือช่วยเราจากความตายได้ในกะา ร, รช่วยความจากความตายตรงนี้นะ่ยสมมุติว่าสมมุติถ้าเราตายไปตอนนั้น ถึงแม้เราตายไปตอนนั้นเนี่ยคือคุณก็จบถูกไหมแสดงว่าชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดของคุณเนี่ยเป็นของเขานะอืเป็นนี้บุญคุณอ่าเป็นนี้บุญคุณเขาสมมติว่าถ้าคุณไปหาเงินมาอย่างเงี้ยคุณบอกว่าตั้งแต่บัดนี้ฉันไปหาเงินมาฉันจะเอาสองเอรเซให้คนนี้โอ้ยคุณพูดไม่ได้หรอกสเปคุณต้องให้เขา้อยเปเซ็นต์เลยเพราะว่าจากนี้ไปทั้งหมดเนี่ยคุณไม่คุณไม่อยู่แล้วนะคุณไม่ได้นะครับเหนื่อไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้คุณจะไปทำอะไรคุณก็ต้องให้เขาหมดอืใช่ััั้เราะะวคณนนนีลงถอบก้นะ ทีนี้กําลังจะบอกว่าไอ้ความตายเนี่ยคือเราเราหลุดพ้นกันแค่ชาตินี้ชาติเดียวแต่เมื่อคือเรารอดพ้นจากความตายชาตินี้ชาติเดียวอแต่ถ้าแต่ถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งรู้ธรรมะของพระเจ้าด้วยการช่วยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลนั้นเนี่ยนะเขาช่วยคุณไม่ใช่แค่พ้นจากความตายชาตินี้นะยังชาติต่อต่อไปอีกอเนกชาติเลยนะหาอแล้อทงสมมติเราเหลือตายอยู่มางมากเจ็ดชาติอย่างเงี้ยใช่ครับไอชาติที่แปดจนกระทั่งถึงชาติที่อเนกเนี่ยนะ เราหมดแล้วนะั้นเราเขาช่วยเราจัดความตายได้เลยนะหรือถ้าเราสมมุติเราจะเหลือความตายอยู่แค่หนึ่งชาติอย่างเงี้ยโอ้ยจากชาติที่สองจนถึงชาติที่อเนกนี่นะเป็นสิ่งที่เขาช่วยเราจาัดความตายหมดเลยนะธรรมะของพระเจ้าจึงมีความประการามมากจริงๆมันไม่ใช่แค่ชาตินี้หรอกที่ดูเรายังเห็นบุญคุณของคนที่ช่วยชีวิตเราจากประสบการณ์เกี่ยว ต, ต่างๆมากขนาดนี้นะ ใช่ครับแล้วทุกชาติเลยทุกชาติคุณเจอคนแบบนี้ช่วยเราทุกทุกชาติคุณเจอคนแบบนี้ช่วยเราหมดเลยโอ้โหมันบุญค<ม>าณมัน<า>มหาศาลเลยจริงครับแล้วมันมารวบยอดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยทำให้บางคนเนี่ยสามารถบวชได้โดยไม่สึกนะเพราะว่าเขาเห็นว่าชีวิตนี้ของเขาเนี่ยโอ้โหทิศให้พุธทธธรรมปสงค์หมดเลยให้พัฒนาไต ร, รเพราะว่าอะไรครับมันชีวิตที่เหลือของฉันเนี่ยมันมันหมดแล้วคุณคุณหมอเข้าใจไหมเข้าใจครับทำไงเอาให้คนที่ช่วยชีวิตเราได้นั่นคือพระพูทพระธรรมประสงค์ครับนึกออกไหม ครับเห็นภาพเลยครับท่านนี้ยังอรู้สึกคนลุกเหมือนกันว่าอืได้ระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแล้วแล้วเรามาดูเนี่ยสมมติว่าเราจะอุทิศชีวิตของเราตรงนี้ให้พระพุทธเจ้าอย่างนี้พระธรรมพระสงฆ์อย่างเนี้ครับพระพุทธเจ้าก็ไม่อยู่แล้วเอาทำวินัยไว้เหลือไว้ให้เอาก็มีพระธรรมอยู่ก็โอเคเพราะฉะนั้นพระธรรมอย่างนี้เราก็ต้องดูที่ว่าเออมันใกล้เคียงบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าไหมใช่ไหมความเออย่างเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องประดับเนี่ยอย่าง สมมติเราบอกว่าบางคนเนี่ยบอกว่าฉันซื้อรถคันนี้เพื่อเพื่อเสริมบารมีฉันต้องมีบ้านอยู่ตรงนี้อยู่แถวสุขุมวิทบ้านหรูๆหน่อยเพื่อเสริมบารมีนั่นจะได้อยู่ใกล้ใกล้กับพวกย่านไฮโซอย่างเงี้ยนะเป็นแบบว่าชีวิตสังคมที่ดีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคุณคุณก็เป็นคนแบบนี้คือบารมีนี่หรอปะเสริมเกียรติยศในล็กขณะนี้แต่เครื่องเสริมเกียรติยศจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ภายนอกมันอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาของเรา เพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยนอกจากจะทาให้เราหลุดพ้นจากความตายไม่ใช่แค่ชาตินี้ยังชาติต่อๆไปอีกนะแล้วก็ยังเป็นเครื่องเสริมเกียกรติยศของเราด้วยประดับเกียรติยศของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาดูครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยหรือว่าดูพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเนี่ยในการที่ว่าโอยดูพระรูปนี้สิโอ้โหมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะแยะไปหมดเลยคุณนับจานวนที่ลูกศิษย์ไม่ได้คุณไม่ได้าสามารถนับจํานวนเงินที่เขาได้รับ บ, บริจาคหรือคุณไม่ได้ไม่สามารถนับเสนาสนะที่มันใหญ่มันโตมันเล็ก ถ้าต้องนับที่ศีลสมาธิปัญญานับที่ศีลสมาธิปัญญาของบุคคลนั้นเทียบกันเลยเทียบกันเทียบกันศีลข้อต่อข้อสมาธิจิตข้อต่อข้อพูดถึงการกําหนดบทพิธัญการแสดงทําข้อต่อข้อปัญญาจะรู้ได้ด้วยการสนทนาเ่จจิตนียะรู้ได้ด้วยการตกอยู่ในสถานการณ์ศีลจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันสาอาดไม่สะอาตร์รู้ได้ด้วยการพูดจาอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยนะว่าเราควรจะอุทิศชีวิตเนี้ยของเราให้ใครครับ ใครนี่หมายถึงว่าไม่ใช่บุคคลใหๆคือเราพูดถึงพุทธธรรมสงฆ์นี่หรอไหมแต่ถ้าเราจะนับถือสักคนในคนหนึ่งเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็จะต้องดูที่ความใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าดูวัดปฏิบัติใช่ไหมครับความใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพรพุทธเจ้าไม่ได้พูดเรื่องเครื่องรางของขังพระเครื่องผีปอบอะไรต่างๆพวกนี้เลยครนะไม่พูดเลยตําแหน่งทางสงฆ์ราชาคณะอะไรอย่างเลยไม่มีอะไรนะครับ เพราะนั้นถ้าพูดถึงอย่างนี้ก็คือพูดแต่ว่าพวกนี้อย่ามายุ่งกับเราเกียรติยศลาบสการสรรเสริญอย่ามายุ่งกับเราเหมือนพวกแบบขายตลาดตลาดปลาเนี่ยนะสะพานปลาองี้โอ้โหมันเวลาเรือมาจอดเทียบทีเนี่ยคนกัโดดว๊บว๊บเสียงแตกกันพึ่มพึ่มเลยโอ้โหมันยุ่งยากวุ่นวายนไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่ให้เป็นอย่างนั้นนั้นไม่ใช่เครื่องประดับเกียรติยศของเรา เกียรติยศของคนที่อยู่ในธรรมะวินัยนี้คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาพระรูชาพูดไม่ชัดเจนว่าตอนก่อนปรินิพานเนี่ยว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพระโคตมะได้แสดงไว้แล้วอย่างมีเกียรติยศเพราะฉะนั้นจึงปรินิพานอย่างลืมตาได้นั่นคือพอนอนตายตาหลับบ้างกันเถอะครับ <S <S พระรูชาจะใช้สมุนว่าปรินิพานอย่างลืมตาแล้วก็ตรงนี้คือคือเครื่องประดับเกียรติยศของเราความที่คือความละเอียดในธรรมะวินัยนั่นก็มีมากนั้นหมอธลพพงศ์ ผมผ้าเหลืองเหมือนกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่เหมือนกันหรอกอืมตัวข้อปฏิบัติจะต้องเพรละเอียดยิบเลยการปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็ให้มาตรฐานใช่ไหมกับพระเจ้าพระสงค์เนี่ยคุณก็มีเมตตากายวาจาใจใช่ไหมแล้วก็บินดีต้อนรับไม่ปิดประตูคอยตบายอมิสถานมากน้อยก็ตามที่เราเห็นสมควรใช่ไหมก็แค่นั้นเองนะนี่คือเรื่องของการที่ช่วยจากความตายแล้วก็เรื่องการที่เราจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นประดับเกียรติยศของเรา <S <S เสื้อผ้าข้างนอกนะทรงผมเงินทองเครื่องประดับรถยนต์บ้านพวกนี้ก็เป็นของภายนอกมันมันมันมันไม่ใช่นะแต่จะประดับเกียรติยศของเราเสริมบารมีเราจริงๆต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นครับอโอ้<น>จริงเรื่องความตายนี่ถ้าพูดถึงในแง่ทางโลกนี่ยาวเลยนะครับท่า น, นในแง่ของการตายการอยู่นี่ครับเดี๋ยวอาจจะไว้ต่อต่อไปครับก็คือว่า เวลาที่คือบางคนมองไม่เห็นนะจริงครับคือเขามองเห็นว่าโซดาสกิทาอนาคกฆาอรหันนี่มีคุณค่าน้อยกว่าพวกพระเครื่องหรือมีคุณค่าน้อยกว่าการ ท, ทีงมีอิทธิฤทธิ์ <c oughs> นะมีอิทธิฤทธิ์นี่เราพูดถึงคุณธรรมที่เหนือขึ้นไปอีกนะสมมติเงินทองอนี่คือภายนอกแล้วใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรถ้าคุณยังยังสามารถผ่านตรงนั้นไม่ได้แล้วเนี่ยคุณก็จะมาติดกับอีกกับหนึ่งนะคือเรื่องของอิทธิฤทธิอิทธิวิธี่พระเครื่องของเครื่องรางของขังพวกนี้ครับ แจะไปติดอยู่ตรงนั้นอีกเลยผ่านตรงนั้นมาได้คุณถึงจะเห็นว่าโอ้โซดาสกีตานาคารานนี้มันเจ๋งกว่าจริงๆนะในเรื่องความที่จะต้องไม่ต้องไปตายอีกอืมจริงๆคนที่เห็นประเด็นพวกนี้ในสังคมไม่มากนะครับท่านดูที่จะเห็นโอ้ที่จะเหมือนว่ากุบาอาจารย์ที่จะมาพูดเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นไงก็ใช่ไหมครับเพือว่าเราเออเราจะไม่พาคนอื่นไปไหน นอกจากไปที่ที่ไม่เคยไปเลยในสังสารวัตนี้ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้นั่นคือนิพพานอืมครับอที่ที่จะพ้นจากความแก่ความตายได้ครับมีคําถามคําถามหนึ่งคุณหมอรัตพงศ์ที่เขามาจากมีคนถามนะบอกว่าเอ๊ะตอนแก่แล้วจะอยู่กับใครอยู่กับใครเมื่อเนอะเมื่อหมอนัตพงศ์ได้รับคําถามนี้แล้วเนี่ยจะตอบกับบุคคลนั้นว่าอย่างไร แก่แล้วจะอยู่กับใครให้ถ้าคิดเองนะครับให้อยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับตัวเองนะเออลมหายใจอย่างเงี้ยพยายามเหมือนกับว่าพึ่งพึ่งตนให้ได้มากที่สุดนครับอื้วกถ้ามีธรรมะมาใช้คือพึ่งตนพึ่งธรรมเนี่ยน่าน่าจะดีที่สุดคือคือจากที่เจ้าของคำถามนี่ก็คงจะรู้ได้ว่าคนถามนีแสดงว่าอาจจะไม่แต่งงานนะแล้วก็อาจจะมีความความเหงา เลยมีความคิดว่าถ้าแก่แล้วฉันจะอยู่กับใครไม่มีลูกหลานใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นที่เหงานี่ก็คงเฉพาะว่ากลัวในกลัวความเหงาความที่จะความพลัดพรากอะไรอย่างนี้ที่กลัวเนี่ก็เพราะว่ารักรักตัวเองรักชีวิตไงรักชีวิตรักตัวเองถึงกลัวว่าอจะพลัดพรากจะตายไปจะอะไรอย่างนี้แตาให้มีความรู้สึกเหงาเพราะเหงาแล้วคือจึงถามคําถามนี้ออกมาแก่แล้วจะอยู่กับใครครับอืม อคําตอบในที่นี้มันมีอยู่แล้วที่เราเคยพูดในสักตอนหนึ่ง<น>โสดสี่สิบเก้าไหมครับเรามาเชียร์ให้คนโสดนะเชียร์ให้คน<อ>ไม่ต้องแต่งงานครับไหนเ<แ>ชียร์<แ>ไม่ต้องแต่งงานเพรา ะ, ะนั้นไอ้คำถามที่าเรา แ, แก่คุณจะอยู่ไกลมันเป็นคําถามที่คลาสสิกมากสําห ร, รับคนที่จะโสดแล้วก็ตอนแก่กูอยู่ใครว่าเอ๋อไม่ต้องมากอะไรเอาคนมีลูกกันคนมีลูกเนี่ยไม่แน่นะลูกมันอาจจะไม่อยู่กับเราแล้วนะตอนแก่ตัวคุณไปดูคุณคุณไปดูที่ตามบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าไอ ก็เรยว่าบ้นทุคนชเออครับคนแก่ที่อยู่ไม่ได้อยู่กับลูกนะไม่ได้อยู่กันลูกบางทีลูกมันลูกมันตายก่อนด้วยซ้ำใช่ครับเออแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเออเราก็เพราะฉะนั้นมันควบคุมไม่ได้หรอกในอนาคตนะแต่สิ่งที่ควบคุมได้พุทเจ้าเคยบอกว่าออ่ให้อยู่ในสี่อย่างนี้อืคือคือมีตัวอย่างตัวอย่างนึงที่พุทเจ้าเคยยกอุบมาอุบมาอีกนะพูดถึงนกแขกเต่าเราเคยได้พูดเรื่องนี้ไปยังนกนกแขกเต่าดูเหมือนจะยังมั้งครับนกแขกเต่านี่เขา เขาก็เป็นนกที่หากินอยู่ตามป่าใช่ไหมป่าหรือว่าตานท้องนาอย่างเงี้ยนะคือไม่ได้บินสูงขึ้นไปคือบินสูงก็ไม่เกินยอดไม้ขึ้นไปมากนะคือบินตามยอดไม้บินตามที่ต่าๆนี้นกแขกเต้าธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้ก็มีอยู่มาวันหนึ่งมีนกแขกเต้าตัวหนึ่งแล้วปรากฏว่าบินสูงขึ้นไปพอบินสูงขึ้นไปปรากฏว่าโดนทันทีโดนนกอินรีเนี่ยบินมาจากข้างบนฟี้ยวชกไปปุ๊บจับมาด้วยขาสองขา นกแขกเต้าสวยเลยตกใจมากครับก็เลยตายแล้วกูทํำไงดีวะอ๋อเลยบอกเจ้านกอินทรีอย่างนี้บอกว่าท่านพญาอินทรีโอ้ยตัวฉันเป็นนกแขกเต่าตัวเล็กนิดเดียวสู้อะไรท่านไม่ได้หรอกนะมีดูตัวก็เลนะ็กในกิหากินก็ตามแต่แต่ว่านะถ้าบอกว่าท่านเนี่ยไปที่ที่เอเป็นที่เที่ยวของบีทาของฉันเนี่ยนะรับรองท่านจั บ, จ, บจับฉันไม่ได้หรอกนั่นไป ถ้ า, านกอินทรีย์อย่างนี้<า>นกอินทรียก็บอกหึ<า>ฉันเป็นพญาอินทรีย์นะอินทรียนี่หมาว่าเป็นใหญ่เข้าใจไห ม, มใหญ่นี่ขือนึ่ที่ว่าใหญ่คือใหญ่ทั่วประเภทนกทั้งหมด่ใหญ่กว่านกทั้งปวงบินสูงกว่านกทั้งปวงในะมีความสามารถอะไรทุกอย่างพอได้ยินนกแขกเต่าพูดทายอย่างนี้ว่ารเราจะไม่สามารถจับนกแขกเต่าได้ในที่ที่อยู่ของมันอุยเอาว่ามาอยู่ที่ไหนนกแขกเต่าก็เลยบอกนี่ตรงนั้นไงที่ดินตรงนั้นเนี่ยตรงพื้นนาตรงนี้ แล้วนกอินทรีก็เลยปล่อยนกแขกเต่าไปแลท้าว่าเอาไปเดี๋ยวฉันจะไปจับเธออย่างนกแขกเต่าก็เลยบินมายืนอยู่ที่ดิน แ, แล้วก็ยืดอกไว้เต็มที่เลยละตี อ, อกเหมือนกิงคองอย่างเงี้ยมามานกอินทรีมาจับฉัน<อ>นะกอินทรีก็ผาบินขึ้นมาเลยเต็มที่เลยนะปรากฏว่าพอใกล้เข้ามาที่จะโฉบเจ้านกแขกเต่าไปแล้วนี่นกแขกเต่าก็หลบปุ๊บหลบไปในในง่วนดิน ค, ค, คือดินในเขาเรียกว่า ไอ้พื้นนาเนี่ยมันจะมีชั้นดินชั้นดินชั้นดินใช่ไหม uh huh. ที่มันทําเป็นบักบักบกขึ้นมาเนี่ย uh huh. ก็หลบเข้าไปอยู่ในบั้งนั้นตรงนั้นอย่างเงี้ยนะทุก uh huh. อินทรีย์ก็อกกระแทกพื้นดินตายหรือ uh huh. ได้รับทุกเจนตาย uh huh. นะเช่นเดียวกันแตนะ่ถ้าเราจะแก่แล้วเนี่ยเราต้องอยู่ในสีสถานที่นี้ที่ผู้เช่าเคยบอกนะคือไม่อยู่ในกายก็อยู่ในจิตนะไม่อยู่ในเวทนาก็อยู่ในธรรมสี่อย่างนี้ uh huh. อย่าไปเที่ยวไปเกินสีที่นี้ คสติฐานี่เป็นสถานที่เที่ยวแห่งบิดาตนอืมครับูง่ายๆอยู่กับลมหายใจนี่แหละจนกระทั่งลมหายใจมันหมดไปเราก็ตายกันนั่นเองเราก็อยู่กับลมหายใจของเราไปครับถ้าคุณยังไม่เห็นใช่ไหมคุณรีบปฏิบัติให้เห็นซะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าแก่แล้วมันจะทายากอืทําตอนเนี้ยพอเราเพื่อที่จะแก่แล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้อยู่ผาสุกอยู่ได้ไม่ต้องมาถามว่าฉันจะอยู่กับใครดีก็อยู่กับลมหายใจเธอไง จรจิงถ้ายังไม่เห็นใช่ไหมควรจะรีบปฏิบัติให้เห็นตอนนี้เพื่อตอนที่คุณแก่แล้วคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออยู่กับลมหายใจมันอยู่อย่างนี้แต่ยังอยู่ไม่เป็นคุณต้องทําให้เห็นนะครับไม่งั้นก็จะมีคำถามนี้อยู่เรื่อยๆแก่แล้วจะอยู่กับใครแก่แล้วจะอยู่ยังไงแก่แล้วจะทำอะไรก็อยู่กับลมหายใจไงก็แค่นั่นเองครั บ, เ, รบเป็นที่เที่ยวแห่งบีดาของตนอืมครับอย่าบินเกินยอดไม้แล้วกันแก้ขนาวนะใ ห, ให้ให้รู้จักแบบเหมือนว่า อ่าพื้นที่ของตัวเองเล็กชอปเคสของตัวเองไม่งั้นอะไรไม่งั้นมามันจะได้ช่องครับงคนก็ได้ช่องคือคือนกอินทรีคือมานไม่ได้โง่เหมือนนกอินรีนะเหมือนหลงพงคือมันจับแล้วมันไม่ปล่อยเลยใช่ครับมีช่องอะไรนีดแหม่ไม่ได้อาถังอีกสัก้นแล้วมันเอาเราแล้วเนี่ยมันปล่อยยากนะครับจริงครับท่านที่เราเหมือนไม่ไม่รู้ตัวด้วยนะครับว่าถูกมารจัดการแล้วไมใช่ นี่แหละนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ความเหงาเนี่ยเราต้องแก้ที่ความกลัวแต่ถ้าเราจะแก้ความกลัวคุณต้องแก้ที่ความรักรนะวางความรักความยึดถือซะคุณจะคลายความกลัวได้พอคลายความกลัวแล้วความเหงาก็ไม่มีคําถามนี้ก็เป็น invalid question ไปใช่เพราะว่ารู้สึกว่าคําถามนี้โหคนทั้งโลกนี่เหมือนเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับหมถ้าถ้าเราไปอตอบเขาว่าคุณอยู่กับลมหายใจ ใครๆมันก็หายใจมาตั้งแต่เกิดมาเราต้องมองเนื้อมาแต่เขาไม่รู้วิธีที่จะอยู่กับรมหายใจไงเขาไม่รู้ไอ้อยู่กับลมหยใจก็อยูไ่ไงมันไม่เห็นจะอยู่ได้เลยคนไม่เห็นไม่จะไปเห็นได้ไงอืเส้นผมบางภูเขาเลยนะครับแล้วถ้าทําไม่ถูกมันเป็นภูเขาบางเส้นผมอืบางเส้นผมครับมันก็จะขุดท่านั้นก็หาไม่เจอแต่ถ้าทําถูกแล้วเนี่ยมันมันเขี่ยวนีด่เดียวมันเห็นเลยจริงครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทําไงตอนนี้คุณต้องทําความเพี่ยนแต่เพื่อให้ เห็นในสิ่งที่ยังไม่เห็นเพื่อให้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อที่อะไรเมื่อเราเป็นผู้แก่แล้วเราเป็นผู้เจ็บแล้วเนี่ยจะยังเป็นผู้อยู่อย่างผาสุกได้แหมพระเจ้าพัชรานนท์ันี่ยทราบถึงมากตรงที่ว่าเอเราเราจะอยู่ผาสุกได้ในทุกสถานการณ์จริงครับท่านจริงจริงเลยเพราะว่าอย่างอย่างตอนอย่างตัวเองแบ่งปันนิดหนึ่งตอนที่ป่วยหนักเคยป่วยนะตอนปีสี่แปดต้องเข้าห้องผ่าตัดผ่าตัดขาอย่างนี้ครับก็ พอดีเริ่มเริ่มรู้จักการภาวนาแล้วเนี่ยช่วยชีวิตได้มากเลยฮนะผมก็